ก็คือถูกละพระพุทธเจ้าหรือบัณฑิตผู้รู้สอนว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นควรจะละแต่ฉันจะละต่อเมื่อฉันพอใจแล้วเท่านั้นมืนสิ่งนี้จะเป็นความที่รังที่สุดในตัวมนุษย์เรานะฉันจะเลิกฉันจินดีจะเลิกแต่ว่าต้องสะใจก่อนต้องไปถึงที่สุดกันก่อนจึงจะเลิกยินดีจะมาเลิกดูจะไม่อยู่ในสมดุลของ คนทั่วไปเลยนะครับที่ผมบอกว่าเราไม่ได้กลัวตายนะครับแต่เรากลัวพระจะพลัดพลาดจากชีวิตซึ่งเราชินแล้วส่วนความตายเรายังไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยครับยังไม่เคยยังไม่เคยตายเลยตอบไม่ได้แต่ชีวิตที่ชินเท่าแล้วและยังไม่อิ่มดังนั้นความกลัวตายโดยนัยยะทางจิตวิทยาถือ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 เมื่อความตายมาถึงอวัยวะที่รับรู้รสชาติของโลกต่างๆจะแหลกบนลงดังนั้นจึงกลัวเราจะสูญเสียพลังในการย่อยในการแยกแยะในการสัมผัสในการดมในการลิ้นและในการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะค่าที่คิดว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานะครับซึ่งเป็นเรื่อง เรื่องปากประตูใหญ่เลยครับแล้วก็เราพิจารณาด้วยสติปัญญานะครับทั้งใช้ความคิดและทั้งระดมคของศึกสำถาแสดงผมไม่ได้ไปเสดการใช้ความคิดเลยนะครับความคิดอาจจะนําทางออกมาท่อนหนึ่งแต่ตัวความคิดมันมีปัญหาในตัวมันเองยุทธศาสตร์ของการภาวนา น, นั้นเป็นยุท ธ, ธศาสตร์ของการปรับเปลีรป ร, รปับปรุงอยูมม่ตลอดเวลาครับ ผมไม่คุ บ, บ่อยนะครับที่คนพูดว่าคําสอนสำนักนั้นดีมากคือระบบปานาปาโนอิสำนักนี้สอนดีมากใช้ที่ยกงงอย่างของลุงประเทียนหรือของเสืนโมกหรือพุโทโธหรือสมาละหังตามความเข้าใจของผมนั้นวุทธศาสตร์เหล่า น, นี้เป็นเพียงเทคนิคเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเราสามารถนํามาใช้กผสมผสานกันได้นะครับแต่ในที่สุดแล้วเทคนิคนี้ไม่สามารถนําเรา สู่ทางเฉพาะตัวของเราการท้ายที่สุดของพว่เราไม่มีวิธีไหนเลยนอกจากตัวมันเองเพะฉะนั้นจิตสมนึกที่มาถึงวันหนึ่งคือหนึ่งหรือช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งอาจเต็นกรางหนึ่งด้วยความรูส้สึกที่ว่าพอพนดีสำหรับการซัดสายไปลอกแบบผู้นั่นก็จะเป็นที่ เยาะโสโอโหองนะครับแต่ผมสุดเป็นความจริงแค่ับทีเดียวว่าตอนนี้พระเจ้าเพราะว่าเจ้าชายสุทัศน์หรือเป็นนักบวชสักฤตมุนีแล้วนะครับก่อนหน้าท่านมานั่งใต้ต้นไม้สีมหาโพนะครับถ้าท่านยังรอกแบบคนอื่นนั้นจำความรู้วันนี้ท่านจะไม่ได้เป็นพระเจ้าครับดูเหตุ น, ห น, นั้นต่านบอกท่านรู้เองจริงๆไม่ได้นึกว่างๆมา ก, ก่อนถ้าสมมุติเจ้าชายยังจำทฤษฎีเก่าๆ ที่ครูสอนไว้แลนํามาคบนังคิดนึ่งตีความอยู่นั่งแยกแยะอยู่ผมเชื่อท่านจะไม่เข้าถึงความเป็นพุทธะตอนน่อให้มีความพุท ธ, ธะรออยู่ก็ตามเพราะความคิดมันหมดวังหมดอุปมาที่ผมชอบมากๆอันหนึ่งก็คือตอนที่ท่านเข้าแม่น้ำเนรันชดากอนที่เข้าไปสู่ตารร่วมกับศรีมหาโพธิ์นะครับ หลังจากชันเข้ามาทุกปลายยอดของนางสุชาดาแล้วเนื่องจากฐานะขงท่านเป็นนักบวชไม่สมควรที่เก็บภาชนะทองไว้ท่านก็ลอยถาตอนนี้เรียกว่าลอยถาดสีมบารมีพราะคมภีร์ซึ่งบันทึกเป็นเชิงวรรณกรรมบันทึกไว้เช่นนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าถาดลอยชวนกระแสะนะ้ําซึ่งเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ แล้วจนดิ่งสู่น า, าา น, นาคพิภพพระยานากราศดุ่งตื่นแ ล, ล้วล้ำลึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่สร้างสาวับตรัสรู้เร็วเหือเกินสิ่งนี้เป็นปริศนาธรรมที่ล้ำลึกาาครับบาดาลคืออะไรโลกใต้พิภพที่อยู่ของนากราชพญยานาขราช น, นั้นตามผมกระจนะครับพระพริยเจ้าเป็นคตีความเป็นนาคปรัชาครคือเป็นปิชาญานที่ล้ำลึก ลึกซึ้งถึงบาดาลเลยครับแล้ววันที่พระเจ้าเห็นนิมิตอันนี้โดยความจริงนั้นไม่มีใครรู้นะครอาจเป็นน้ำวนก็ได้หรืออะไรก็ได้ทันทำให้เกิดปรากฏการณกแปลกๆแต่สิ่งที่ปรากฏกับตัวเจ้าชายนั้นสำคัญมากเหมือนกัว่านกตกลงมาจากยอดไม้นันก็เรื่องนกแต่ว่าสำหรับผู้ดูที่เชื่อโชกลางเป็นปรากฏการอีกอย่างหนึ่งฉันใดก็ฉ น, นั้นครับ จ้ชายในฐานะนักบวชเห็นปรากฏการณ์นี้อีกอย่างหนี่ยไม่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ตาเห็นเป็นไปได้ที่ท่านเห็นว่าตลอดเวลาหกปีที่แล้วมาที่ท่านแสวงหาธรรมะเนี่ท่านเข้าไปในกระแสทานของอารมณ์ตลอดเวลาหกปีของความผิดพลาดก็คือท่านเข้าไปในอารมณ์ไม่เลือารมณ์หมายความคิดครับแล้วพอเห็นนมิตรอันนี้ครับท่านนึกออกว่าหกปีท่านเสียเวลานีน้เพราะอะไร ดตงนั้นนิตย์ใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในนั้นไหครับต่ออรีย์ทางว่าต้อทวนกระแสเปี่ยวสมองทวนต้นไปสู่ต้นฐานเพืจะจมลงสู่บาดาลมิพุนปัญญาคือปัญญาก่อนหน้าที่ความคิดจะเกิดนี่คือความรี้ลับในตัวมนุษย์ครับเราไม่เคยรู้ฐานะก่อนหน้าความคิดจะเกิดที่เราไม่เคยรู้จักภาวะก่อนเกิด ก็ราเกิดคืออะไรเราเราลึนะครับเรานึกไม่ออกเลยเหมือนกัเรานั่งนึกย้อนอดีตไปว่าเราอายุหกขวบเราคิดอะไรเนาะเราเริ่มลางเลยแล้ว น, นะฮะห้าขวบที่มือเนาะสองขวบลึกลึกแบบทิศหนึ่งนะภ <c oughs> าวะก่อนเกิดก่อนเกิดเรื่องนะครับคืออะไรสมมุติว่าเราใช้ภาวะก่อนเกิดเรื่องในความหมายธรรมดาก่อนถูกลุชนก็คือภาวะที่ยังไม่ถูกลุกชนคือภาวะที่ป ก, กติดีอยู่ พอหลังจุงลชนันแล้วมันมันเป็นภาวะใหม่เรามีความจำใหม่แล้วเราก็ดิ้งรนที่พ้นจาภาวะใหม่ด้วยเะน้วัยที่ ป, ปฏิภาณนี้เกิดขึ้นกับนักบวที่ชื่อโคธรรมพุท ธ, ธาที่ต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าของเรานะครับท่านเอกใจที่นมาว่าหกปีที่แล้วมานี่ท่านตามกระแสอารมณ์มันจะหลอดไปเข้าชานไปทำทรมานจนจะตามความคิดตลอไ ควคิดบอกให้ทําอะไรก็ทกาําตามในตลอดแต่มาคราวนั้นเองครับท่านเฉลียวจอยดังนั้นเองนะครับเมื่อข้ามลำธาร น, นี้แล้วเมื่อมันนั่งบนซ่อนหญ้ า, าคาที่จริงไม่ใช่หญ้าขาครับหญ้าคามคันเป็นพืชกบน้ำที่เป็นหนึ่งซะมากกว่าเนี่ยก็มันมม น, นุ่มนวนดีเขนั่งซ่อนหญ้าแล้ววัตเตอร์ทำแห่งสตรัปรฐานก็เริ่มขึ้นครัก่อนหน้านั้นท่านปฏิบัติติดติถูกๆู ก, กเรื่อยเรื่อย แล้วมาถึงวาระนั้นเองที่ว่าท่านเริ่มรดมความรู้สึก ต, ตัวที่จะทวนกระแสวัฒนธรราชาวพุทธนั้นควรจะกําหนดจัดจำํำคือวัฒนธทํา ท, ทวนกระแสทวนกระแสอาลงคําทวนกระแสไม่ใช่ต้านกระแสเนี่ยเหมือนกระแสน้ําไหลามานี่คาทวนกระแสแล้วขึ้นเหนือนกระแสแล้วก็ไหว้เข้าฝัง่งหรือเช่นเดีย ร, รือที่รงน้ํา เราก็อาศัยน้ํำให้เองก็ปูเรือแล้วก็แล่นในบนถิ่มเรือไม่ใช่ไปไปต้านน้าเข้าไม่ว่าเรือไปขวางน้นเข้าเพราะทำจนกระายก็เกิดขึ้นครับนี่ต้องถามว่าเกิดขึ้นว่าทวนความคิดทําอย่างไรเพราะร่างตัวเราทั้งหมดภูมิหลังทั้งหมดมโนคดทั้งหมดปับจจุบันทั้งหมดของเราขึ้นกับความคิดหมดแล้วตั้งแต่เช้าตื่เมื่อตื่นนอน เราลืมตาตืึงนมามนเพราะฉะนัจะคิดจะก่อนหน้าเราจะลืมตาตื่นสิตื่นขึ้นมานี่เราเรียบร้อยแล้วครับถูกความคิดครอบําเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปทํางา น, ไ ป, กกนาไปทะเลาะกับหัวหน้าไปทําน้นทำนี้กลับมาเย็นกนเหนื่อยเงื่อยล้ามาทะเลาะ ก, กับลูกตลอดเวลาเราอยู่ในความคิดทุกคนที่เดินอยู่ที่ถนนนะครับหรืท่ั่งนยู่ที่ป้ายรถเมล์หรือในเครื่องบินหรือในเรือเดินทางไปต่างประเทศหรือลงในอุโมงค์ลึก เขาไม่ได้ไปเ่อาะโลกกับร่างกายรโลกทั้งหมดไปกับเขาผ่านทางความคิดความทรงจำคนที่นั่งใ น, นอินทนนที่ิพัฒน์รเนยนั้นเขาไม่ได้นั่งเปล่าครับหรือแม้แต่เราเองนะครับเขานั่งอยู่กับความคิดโดยไม่รู้ตัวครับความคิดก็ทำหน้าที่อยู่ตลอด10นาทีของห่วงเวลาก็คือ10นาทีของความคิดโลก สัมผัสโดยจงได้เช่นความเย็นของโต๊ะที่เราสัมผัสหรือดวงตาที่เห็นรูปแล้วมีความเย็นเย็นในเ ป, ปเลือกตาถูกละเลยหมดขึ้นเลยครับมือตัวที่เป็นแหล่งสัมผัสบริสุทธิ์เราทิ้งคุณข้านี้หมดเลยครับเราไปผูกพันกับชัดเจนอะไรบ้างฉันควรจะมีอะไรเราไปผูกพันกับกระแสความคิดดังนั้นเองตงล้องความคิด คือกลงล้อแห่งกาลเวลาก็หมุนไปดึงแข่งดึงขาบทที่เราเรากรางผมฝุ่นในกลงล้อนี้แต่ถึงแม้เราจะรู้เชนนี้แล้วกรต่ามครับเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรยังดูจากกลงล้อนี้ได้ข้อนี้เองครับโดยปราศจากคําแนะนําของพระพุทธเจ้านะครับสัโลกย่อยากเี่วตัวล้อนั่นเป็นข้อความในพจากจ้าดิจุ ผมก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้นะยากที่เอาตัวรอดเพราะล้วนแล้วม็นตกเป็นเหยื่อของความคิดพล้วความคิดเปนเรื่องมันสร้างสรรค์เองนงครับสังเกตดูครูที่ไม่เคยตีนักเรียนหรือพ่อแม่ที่ไม่เคยเชี่ยนลูกเลยนะได้เชื่อนแค่เพียแล้วไม่หยุดเลยครับเพราะว่าความคิดใหม่เกิดพึ้งมันตกแต่งมันจะย้ำอยู่ย้ำอยู่ช่านั้นพอได้ทาอะไรทุอย่างหนึ่งาได้ผลเป็นสุดก็ตามทุก็ตามมันก็จะซ้ําซากซ้ํำซากอย่างนะ แน่นอนจะรู้สะมีแล้วครับเราจะทําังไงดีเสียงโอดครวนอันนี้ครับเสียงร่ำร้องอันนี้ดังระงงชงปูทวีตในสมัยพุทธกาลผู้คนเราวิ่งวนสารวณหาคุณไม้ป่าเก่าลูกกเทวดาเป็นที่พึ่งคาดหวังว่าทุกทรมานตนแล้วเทวดาจะช่วยพระเจ้าจะเอื้องงวยสุดได้อ่อนวอนสถานะเรานั้นเงินแล้วแต่ไม่เกษตเป็นที่พึ่งช่วยพระช่วยชวครู่ช่วยยาม แม้แต่การเข้าฌานสมาบัติแนวมเ่งดังอยู่กับความสุขที่เศษสร้างขึ้นที่พุงแต่งขึ้นที่กำกับควบคุมกดทับไว้ก็ไม่ใช่ที่ผู้ถาวรพอไม่ได้ทำมันนั้นพอรื้อถอนการกระทำม น, นั้นปรากฏว่าความทุกข์ลำบากความขัดแยง้งความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เกิดขึ้นใน่วมาทำเสื่อมงวดแล้ว ที่พระเจ้าสอนนะครับนีประโยคหนึ่งที่สําหรับความรู้สึกส่วนตัวของศึกษาบซึ่งจึงใจมากๆครับทจริงคําสอนพระเจ้าทุกบททุกบาททุกประโยชน์ล้วนแล้วแต่ชวนทราบซึ่งจึงใจเพราะเป็นคำที่พูดจากหัวใจของท่านผูร้รู้แต่มีบางประโยชน์สำหรับบางเจดิตที่จะรู้สึกได้มากครับเช่นคําพูดที่ว่า ประสบสิ่งไม่รักเป็นทุกข์พัะท่าเกิดสิ่งที่รักเป็นทุกข์ราถนะสิ่งนั้นหุ่นใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นทุกข์เป็นคําพูดด่ดาด่สามัญนนะแต่ว่าเป็นคําพูดที่ทานพูดกับทุกชีวิตเลยครับและทุกทุกสมัยเลยครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนไทยผู้ภาษาไทยหรือฝรั่งผู้ภาษาอังกฤษผู้ภาษาเกฤษเป็นเพศหญิงเพศชายแม้แต่เด็กเล็ก ถ้าฟังออกก็จะรู้ทันดีกับคำพูดนี้จริงและพูดจบจนถึงตัวเขาด้วยสภาวะในตัวเขาด้วยพราะชอบจากสิ่งที่รักป็นทุกเด็กๆถูกแย่งตุกตาร้องไห้นะับจะปวดถูกทำลายของรักประสบสิ่งไม่รักเจอกับสิ่งที่ไม่น่าบรารถนาก็ อ, อึดอดัดขัดขืนทั้งสิ่งนี้เล่นกับเราตลอดในที่ทา ง, งานที่บ้าน แม้ในวัดในโบสถ์ในหมูพระสงฆ์มั น, นคําพูดนี้เป็นคําพูดสากลรมว น, นชีวิตครับม่ว่าชีวิตในดาวดวงอื่นในปัจจุบันในอตและในอนาคตคําพูดนี้จริงตลอดหรือัปล่าน่าจจนอัชจริงไหครับคําพูดง่ายๆพื้นๆแต่ได้สะท้อนความจริงของชีวิตออกมาแล้วท่านก็พูดต่อว่าโดยย่อแล้วที่ทุกข์เพราะขันห้าทุกยึดถือ ถูกครอบครองเป็นเจ้าของะฉะนั้นการภาวนาในแง่หนึ่งคือการฆ่าหามที่เสียสละมันง่ายมากถ้าเรามีเงินเยอะที่จะเสียสละเงินมาให้เขอทานแต่มันยากมากที่จะเสียสละความเจ้านี้ซึ่งไม่ใช่เงินเป็นอาคาอะไรบางสิ่งเช่นเสียสละความถือดีถือตัวดงนั้นคนที่เสียสละนี้มันมันเป็นคนประเภไหนึครับคนบางคนมีเงินเยอะก็สามารถโยนก้อนเงินให้เสษเงินนั่นก็หนึ มีความสุขได้โดยตัวเองไม่ต้องอย่าไสฝากคนใช้เอาไปให้ก็ยังได้แต่การเสียสละที่แท้จริงนี่ไมอ่อยู่นั้นนะครับการเสียสละความจเจริญนั้นก็คือเป็นเรื่องใ น, นข้างในที่แคบมีเรื่องเล่าที่น่าสนุกดีเรื่องหนึ่งในสมัยหมหาวัฒน์ทันทีกำลังเคลื่อนไหวเพื่อตดแอกอินเดียออกจากอังกฤษทําต้องการรวบรวมทนุนกองทุนเพื่อมาใช้ในการเคลื่อนไหวแล้วท่านขอร้องให้ทุกคนเสียสละ มวลคนเล็กคนน้อยตามตามศรัทธาหรือทรัพย์สมบัติเก้าแหวนตุ้มหูสร้อยคอม่เรื่องรล่ว่ามีสตรีสองนางมาหาท่านเพื่อจะสละบริจาคเงินสมทบ ท, ทันทีที่พูดถึงตรงการการตรวจแอกประเทศชาติไฟังสตรีนางแรกก็ร้องไห้ได้วยความรักชาติถอดสร้อยถอดแหวนถอดตุ้มหูสร้อยที่ที่จมูกที่หูเพื่อบริจาคสมทบเพื่อช่วยต่อสู้ สตรีคนที่สองนั้นก็ถอดหมดเหมือนกันแต่เหลือ Lock ล็อกเก็ไว้อันหนึ่งเอามือกำแน่นว่ากำาว่าทันทีท่านเอกใจว่าเขาน่าจะถอดด้วยแต่สตรีนางที่สองนั้นไม่ยอมถอดแต่ถามแล้วก็รู้ว่าแฟนนะครับผููรักบอกว่าต่อวันไหนไม่อยู่บนคอมื่อไหรก็เลิกกั น, นทันทีเขาลังเลระหว่างผูดรักกับประเทศชาติเมื่อหาวตะวันทันทีรู้เช่นีแล้วก็พูดหนักเลยครับพูดได้สระหนักเลย จะนางร้องไห้โฮมาแล้วก็ถอดยืนน้างมาเลิก ก, เลกกันเลิกกันเพื่อประเทศชาติมทาทันดีนักล็อกเก็ต ไ, ไว้แล้วก็คืนให้ครับสิ่งที่เคยสลาดนั้นได้สลาดแล้วสิ่งนี้เรื่อเอล็กล้อกว่าคืนไปเลยนี่ตัวอย่างที่สําคัญนะครับในการเสียสละโ ด, ดยเใช้จูงใจกบคนที่มีไหวพริบปฏิภาณแล้วก็มีความมีสตัวได้ต่อเนื่องแน่แนนีแล้ว การสละอารมณ์ร้ายก็เป็นสิ่งที่เป็นความสุขจ น, นความริษยาเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์แล้วเนี่ยคงไม่มีใครกล้าพูดแต่ริษยาเป็นสุขได้ช้าก็เหนื่อยแล้วมันเขาก็ไม่ ม, มีใครคิดแห่ผมเชื่อว่าความริษยาเจ็บปวดเหมือนลูกศรเหมือนยาพิษที่เดียรครับมันปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วมันกัดกร่อนเหมือนที่เราได้ยินกันบ่อยว่าเส้นผมเกิดเป็นเนื้อในเหล็กกัดเหล็กให้ผูกร่อนเอง สำหรับสติปัญญานครับที่ฝึกปรือาดีแล้วเหมือนที่ล้มเอ่ยจากต้นว่ามคุณเคยแต่สภาพร้ายโทสะไร้ายโมหะร้ยราคะดีแล้วพอสิ่งที่แปลกลองเข้ามามันทีไม่เอาเองครับมันมีการเสียสละแบบที่ต้องกล้าหาันทางจะได้ทําอย่างลึกซึ้งไม่ใช่อย่างนั้นครับเดียวเหมือนมือด้านนี้กระจับแจ็คตอนมีความอยากจับมือจับไม่ติดครับแต่ถ้าแบ้า์นี้ติดครับเพราะเราชอบ แล้วเราก็สมนิทสนมอจรราจารย์นิวบานก็เปรียกว่าระหว่างมนุษย์จิตใจของมนุษย์กับกิเลสนั้นเหมือ น, นเด็กน้อยกับมารดาคือหิวน้ำนมดันั้นต้องดื่มน้ำนมของกิเลสตลอดเวลาจึงจะต่สุกสำาราญผลผลสุกที่เกิดจากิเลสเรารู้จักเป็นวิจิตรของอาย์เป็นจิตที่คนทัไปอาจจะเหม็น แ, ลแลคลนแต่ที่จะเป็นเรื่องที่ชื่สงสยัย ว่าเราจะถูกหลอ ก, กลูงหรอกปล่แท้ทจริงนั้นการเสีสละ น, นี้นั้นเป็นกําลัง mm hmm. เพิ่มบุญ พ, พร า, าหมณ์ให้จิตใจนะครับเมื่อได้เสียสละวันหนึ่งมันจะเกิดพลังใจอย่างอย่างมากมายทีเดียรครับอย่างมหาสมากันทีที่เล่าแล้วไม่ใช่ท่านเกิดมาเป็นนักบุญแต่กําเนิดที่จร mm ิง hmm. ท่านจะเห็นแก่ตัวมืนกันครับตอนไปเรียนอังกฤษผมเล่า ว, ว่าทําตัวนผู้ดีด้วยซ้ําไปผู้ดีจด้วยซ้ํำไปไป เป็นระเบียงความฟ้อนแบบฝรังไปเรียนเวลินไปเข้าสมาคมชั้นสูงแต่แล้สมมติค่อยๆหมุนขึ้นสูงความแท้จริงของชีวิตอะไรเสแสงอะไรจริงกว่าความคิดเลตุปัญหากับความร้ายคิดเตปัญหาอันไหนจริงกว่าอันไหนยั่งยนกว่าอันไหนให้ความสุขสำรานี้ยื่นเดินกว่าเพราะฉะนความสุขที่เกิดจากการบําบัดนั้นว่าให้ถูกแล้วมันไม่ใช่ความสุขที่แท้ที่แท้จริงนะครับ ซึ่งตลอดสังเกต ด, ดีๆจะพบว่าความสุขเชนั้นจืดด้วยความ ร, าร้อนร้อนด้วยความแหนหวงด้วยความริศยาด้วยความครอบครองเป็นความสุขเนื่องจากการได้แผ่อำนาจของตัวเองไปในทรัพย์สินสิ่งของสตรีบุรดเข้าของลกูกเนียคือเป็นการแผ่ขยายของอัตตาดังนั้นดังนั้นเองการปฏิบัติที่ใช้ความคิด สำหรับละกิเลสตัณหาหนนร้ประสิทธิผรับมันเต็มไปด้วยประสิทธิภาพเมื่อเรานึกถึง น, นิจจังทุกขั้งกนาตาแต่มันเป็นอ น, นิจจังทุกขั้งกนาตาของเราเรานั่นแหละกําลังเรียนรู้อนิจจังทุกขรั้งอ็นาตาด้วยเหนั้นความรู้ที่เติบโตจากการใช้ความคิดนั้นเป็นอย่างหนึ่งเสมมอนกัว่าน้ํำพึ่งมีน้ำผึ้งที่ใดก็มีพึ่งและมีเหล็กในของผึ้งที่นั้น ส่วนความรู้ที่เกิดจากสัมผัสบริสุทธิ์ครับเป็นควมรู้ที่ไม่อยู่ในหน่วยความทรงจําไม่ใช่สิ่งที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสะสมที่เป็นคลังความทรงจํานนเขาสร้างตัวสร้างฐานะมีความรู้มากจิตสานึกก็เข้าครอบครองความรู้นั้นครอบครองข้อรู้นั้นพารู้สึกว่าฉันเป็นคนมีความรู้มากฉันมีสูงสกตกว่าคุณที่มีความรู้น้อยกว่าฉัน นั้นความรอ้นั้นถูกอำนาจของความรู้สึกตัวที่ผิดๆครอบงำส่วนประสบการณ์ที่ไม่มีการสั่งสมซึ่งมีการมือสัมผัสพื้นเย็นๆหรือผมจะยกตัอย่างนะครับขออภัยด้วยกิริยาที่มายาดไม่เรียบร้อยด้วยนะครับผมจะทํำสิ่งอย่างนี้ครับเสิ่งมือที่ตบนี่มันจบ ท, ทันทีเมื่อเมื่อสัมผัสจบแต่มันตัอ้งอยู่ในความจำของเรา ลองนึกสิเงินเสียงรับมีขนาดเสียงธรรมดาเนะถ้าเป็นเสียงอ่อนหวานของผู้หญิงหรือผู้ชายที่ออดออนอยู่นานมากครับแต่โดย <c oughs> โดยครับโดยตัวความจริงในตัวมันโดยตัวสภาวะของการกทบสัมผัสนั้นก็ <c oughs> เกิดไปกันดับเลย <c oughs> แต่ที่มันอยู่เพราะมีมีความจำรองรับอยู่นี่ขนาดเสียงนะครับมีเสียงจะเรียกว่าเอ็โคก็ได้นะครับยังเหมือนกับดังกล้องในเราว่า ครับแคบแคบแคอนเราทวนอย่างนั้นเลยนะเราทวนอยู่แต่ถ้าเป็นคนข้าสมมุติเช่นคำดาของสตูเราไม่ต้องถึงกระดาแค่ในสตูผู้เองศตอบตาเท่านั้นเองครับมันตามไปถึงบ้านเลยครับมันทบทวนแล้วทบทวนอีกบทขี้นี้ตัวเองอยู่เั้นยุทธศาสตร์ที่ผมบอกว่าให้เปี่ยนเน็นยุทธศาสตร์ของตกกคือคิกเยอะๆทรงจําะไรยนี้ ย้ายมาอยู่กับตกกะมาอยู่กับสัมผัสบริสุทธิ์นั้นเองหาติฐานสิ่งบอกว่าเธอนั้น<ส>เมื่อเหยียดแขนออกเธอรู้ชัดกูเข้าก็รู้เธอนั้นไม่ยินดีในโลกทั้งของนะดัง น, นั้นความความนิสิตสัมผัสได้สถานาความรู้ชนิดหนึ่งเป็นความรู้ชนิดที่ไม่มีการสังสมประสบการณ์ความจําไม่ต้องจําไว้ครับเช่นเดียวกับ ประสบการณ์ในตัวของมันเองทุกๆคนหัวกะโหลกพอเหัวนะฮะแต่เรามีความจําเป็นนี้ต้องนั่งน็กว่าอมันอยู่หรือมันไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ในความจําของเราเลยแต่มันอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งผมชอบที่ยกตัวอย่างเรื่องเวลาหลับลึกเวลาหลับลึกนี้คือช่วงขณะที่ประหลาดและหัสจรย์ที่สุดในชีวิตธรรมดาของเราเร า, เร า, เราท่านๆนะครับ เราหลับลึกลงสู่ภาวะหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้ตายชีวิตยังเป็นอยู่แต่เป็นอยู่ที่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับก็ไม่มีระยะทางไม่มีเวลาไม่มีความต่อแยระหว่างความดีหรือความชั่วความถูกหรือความผิดแต่ทุกคืนเราลงในสภาวะนี้นะแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วดูเหมือนว่าเราอยู่รอดปลอดภัยมาได้ก็เพราะความหลับลึกทังนเองเชื่อว่าถ้าเราน อ, นอนไม่หลับสักเจวันอนั้นทีชีวิตเราคงจะจบสิ้นแน่ แค่นอนไหลับขึ้นคืนหรือคืนหนึ่งเราทุกทรมานแสนสาหัสใช่หรือเปล่าครับจมลึกแต่ผมไม่ได้แนะบอกว่าให้พวกเรากลับไปนอนหลับลึกกันเพื่อเป็นการภาวนาไม่ใ อ, อย่างนั้นนหครับผมเชื่อเห็นว่ามีสถานะพิเศษตั้งแต่ซึ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งในความลีลบของชีวิตรมครับ ก็าหยทั้งเรื่องความตายนะครับคนที่ชอบคิดเร่งความตายหรือความแก่ชราก็มักจะมีความถดถอยแท น, นที่จะช่งชื่นขึ้นมาจะองเนแก่เท่ากบทอแท้และความบาดัวชนิดหนึ่งเปล่ากิขึ้นอกจากโรคภไยไข้เจ็บเรารุขึ้นลูกหลานไม่เยล่ยแล้วพลังที่เคยมีก็ถดถอยรูปโฉมนุพันที่เค ย, ยดึงดู ดวนใจเพศตรงข้ามเรื่องเสืส่อมทามนั้นความคิดในทางศาสนาในทางโปร ง, งท่านที่จะช่วยชุ่มชืช่นกลับซ้ําเติมซ้ำไปข้อนี้ผมไม่ได้บอกว่ามรณมรณสตินั้นเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ผมก็มองชี้แจงว่าเราไม่ไจะเจริญมรณะติผิดผิดซึ่งทําให้เกิดความหวาดกลัวและถดถอยหน่อยถ่าที่จริงเมื่อเราคิดถึงความตายนั้น เราคงคิดว่าไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไม่ใช่เฉพาะเธอเราครับต่อเป็นเทวดาเป็นท้าวามาังกษัตริย์แม้แต่พระเจ้าก็ตายครับความคิอย่างนี้มันมันจะไม่กลัวมันจะรับรู้ด้วยสิ่งเป็นสาธนะต่อทุกชีวิตขี้หมาชีวิตมันแผ่ขยายกว้างแทนที่แทนที่จะคิดว่าเอ๊ฉันจะตายเมืไหรโลกกำลังเล่นงานฉันหนักขึ้นทุกทนะีความคิดแบบนี้มันไปรูปยอดอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวครับแล้วปัญหาที่ลึกซึ้งที่สุดของมุษเราคือ เรา mắc กับความพันกับความคิดเรื่องตัวเรามากเกินไปเป็นห่วงเองมากเกินไปแต่คิดกันได้ว่าสิ่งนี้เป็นสาธารณะกับคนตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีใครเลยที่ไม่ตายจิตใจเราจะโล่งขึ้นอีกประการหนึ่ง น, น, นะครับเราที่นาความตายนั้นเราลบควรจะใช้ความตายให้เป็นประโยชน์แทนที่จะมันเป็นโทษหรือ โดยเฉพาะความแก่ชราเนนะครับคนที่อายุมากๆก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตรงที่ว่าแทนที่เห็นความแก่ชลาเป็นความเหนื่อยล้าจดจ่อยถ้าเราคิดอย่างนี้จะเป็นไงไรือเปล่าครับคิดว่าแล้วคนจะเริ่มชีวิตใหม่สัทีแทนที่เราจะเริ่มมีชีวิตอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ตักกัะ คือคิดลึกคิดลึกมาหลายสิปีแล้วเนี่ยตอนนี้ใช้ชีวิตแบบสัมผัสบริสุทธิ์สิดีไหมพอคิดได้ทีนี้ จ, จิตใจมันเป็นเด็กขึ้นมาแล้วเพราะมันเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่เชนยกมือกระเพกจ้าหายใจเข้าจะออกเป็นบทเรียนแรกเริ่มซึ่งทั้งหนึ่งเราเคยเรียนตอนอเด็กดแม่ให้เราเดินเรื่องเดินต่อแต่ตอนแต่ดี๋ยนี้เราแก่แล้วครับคิดว่าพอจีสาหรับเรื่องโลกนั้น เราเริ่มชีวิตจริงๆก็ดีจิตจมนจะกระชุ่มกรชวยขึ้นเปนดีครับแทนที่จะทอแท้ทและจดทอยเพว่าผมพูดในช่วงตอนตอ น, นี้ก่อนครับจะได้สนทนาปัญหากันแล้วก็เมื่อพักแล้วก็จะมีช่วงที่สองครับผมเชื่อปัญหามีมากนะครับแต่ว่าเราไม่จะเริ่มท่อนตรงไหน ที่สิ่งที่อาจารย์สอนวันนี้นะครู้สึกเนจะเป็นเรื่องแปกใหม่ที่ไเคยได้ยินนะคะอาจยอยากจะขออาจารย์ให้มีรายละเอียดเ็ตัวอย่างอะไรไห้มากกว่านี้สักหน่อยเพื่อจะได้เป็นแนวทางว่าเราจะเอาไปปฏิบัติจริงๆได้โด่เฉาะเป็ตัวอย่างว่าเป็นอะไรนะคะค่ะขอบคุณที่จริงป็นหาระหว่างชาวพุดนว่าเป็นมหาญาลิมิญาเลยครับไม่ใช่แค่ปัหา้ารพิจา การทฤษฎีในการศึกษาาอย่างกว้างขวาต่ออันนี้จังทุกครั้งนักกาต่อเรื่องสัญญตาต่อเรื่องอิทัปิปัญหาเหมนันนี้ตั้งหาหรายตาบรรณโรปะศึกษาอย่างลึกซึ้งระหว่างพุทธศาสนาและวิชาวฟิสิกส์สมัยใหม่ด้วยนะครับเหมือนนันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงชาวพุทธต่อทฤษฎีบทหรือที่เรียกกันว่าปริยัติธรรมแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับว่าทํางานจึงจะเข้าถึงมันจริงๆนั้น ไม่ใชว่าทำไงจริงจะรู้อะไรกว้าง ม, มากๆโดยไม่ต้องเข้าถึงปัญหาของชาวพุทธจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วถ้าไเราดูในเรื่องเราธรรมบทหรือตัวอย่างครั้งอดีตสมัยพุทธกาลนะครับคนส่วนใหญ่ยุคันไม่รูหนังสือครับบางเงินแก่เท่าได้ยนนินพระะพเจ้าประโยชน์เดียวก็เข้าถึงเมื่อถูกเล่าสืบทอดกันมาจาจารย์มาเป็นหนังสือตำรับตำรายแล้วคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เชื่อก็ได้ครับ เด็กเล็กๆแต่อายุบขวบเข้าถึงได้สำเนีของภาษาลิบตรอายุ13ปีเป็นอาระห์